เกี่ยวกับการพูดคุยธรรมะที่เรามาพบท่านฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราพูดคุยเกี่ยวเรื่องของพุทธวัจนะท่านฟังเอ่อพุทธวัจนะหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลากหลายอย่างมากแล้วบทเพียรที่เอ่อที่เรา จะเป็น 2 รอบ 3 รอบแต่ 10 รอบ 20 รอบฟังไปอีก 30 รอบ 40 รอบฟังไปอีก 50 รอบ 60 รอบเนี่ยบางที 100 รอบเนี่ยมันจะๆทําๆทําย้ําๆเนี่ยนี่คือลักษณะของการ นั่นคือรู้จํานวนเรื่องที่รู้เนี่ยเอ่อมันเท่าเดิมแต่แต่เพราะๆมากขึ้นตัว นั่นคือการทําให้เจริญอย่างเราฝึกซ้อมเอ่อเขา skill หรือว่ากไก่ตอนที่ๆอย่างเงี้ยหรือว่าฝึกท่องสูตรครูเนี่ย นะตอนแรกๆเราก็ไม่รู้หรอกทําไมก็ต้องให้ชัดกอปฏิบัติเพื่อ นะการปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นรู้เข้าใจอ่านออกแล้วก็พูดต่อได้ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้น 3 จะให้มันลึกซึ้งเข้าไปอย่าง ต้องสุดคุณจอง 12224 ไปอย่างเงี้ยในความลึกซึ้งมันจะมีๆมันก็มีสิ่งที่เราเอ่อเข้าๆทําอย่า นะตราบใดที่ยังมีคําสอนของพระเจ้าอยู่นะเรายังไม่สิ้นหวังท่านฟังเอ่อในสมัยที่มันแย่กว่านี้ก็มีนะเช่นสมัยที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนะโลกมันได้มีการเบียดเบียนกันโอ้นั่นแย่มากสมัยนี้เรา จะมีความปลอดภัยในชีวิตระดับสิ่งอยู่ได้ แต่สนใจแต่เรื่องความปลอดภัยเรื่องอาหารการกินและจะมีแต่การที่เบียดเบียนแข่งแย่งซึ่งกันและกันนั่นนั่นคือใน อ่าเราต้องมีจิตใจที่สูงขึ้นและจิตใจที่สูงขึ้นก็จะมาจากเอ่อความที่ 2 ส่วนอย่างนี้คือ นะแข็งโป๊กแข็งหยาบอย่างคือความเอ่อนุ่มความนิ่มน่ะเหมือนกับดินเหนียวที่เขาภาชนะหรือว่าเหมือนทองคํา นะประชากรพูดถึงการที่เอาธรรมะเนี่ยเข้าเอ่อไปในจิตของเราธรรมะเนี่ยมีลักษณะเป็นอ่าเป็นลักษณะคําสอนในที่ประกาศเอาไว้อ่าคําสอน ตั้งแต่เรื่องของผู้ชายจนถึงเรื่องของผู้หญิงตั้งแต่เรื่องแล้วเราก็เลือกจุดที่เอ่อเราจะมาใช้ประโยชน์ได้เห็น ผู้เราเห็นเป็นธรรมะได้หมดณๆได้น่ะเราฟังเสียง เสียงแซกโซโฟนหลายๆมันปนกันมาเรายังรู้ว่าอ๋อนี่แต่ธาตุที่ละเอียดที่เค้าไปรับรู้ตรงนี้ได้รับรู้ถึงความละเอียดตรงนี้ได้นั่นคือจิตของเรา และประณติกอราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ละเอียดนะเราจะมาทําความละเอียดตรงเนี้ยให้มันเป็นจิตที่เหมาะแก่การที่ นะเมื่อเราทําจิตของเราให้มันถูก อยู่ในลักษณะที่จะไม่ให้จิตของเรานั้นถูกกระชากลากดึงไปไม่ให้จิตของเรานั้นบ้างอาทิตย์นึงอาจจะโกหก 2 3 ครั้ง การโกหกของเรานะเราไม่โกหกอยู่เป็นปกตินะอาทิตย์นึงแทบจะไม่มีเลยอย่างเงี้ยการไม่โกหกการไม่ดื่มเหล้าการไม่ประพฤติผิดในกามนะการไม่แกล้งกล่าวเท็จ นะแล้วก็คนรอบๆข้างเราก็จะจะสบายใจนะเราก็จะสามารถจะสร้างครอบครัวในสิ่งแวดล้อมต่าง นั่นก็คือเขาจะเข้าคายลักษณะคําหยาบ หรือว่าฟังแล้วเค้าจะแตกจากคนนู้นหรือว่าพูดเพื่อ <c oughs> ให้มีความเป็นธรรมชาติให้มีความเป็นธรรมดาความเป็นเอ่อธรรมชาติให้มีความเป็นธรรมดาให้มีพูดเล่นพูดเพ้อเจ้อแต่ถ้าเราคุณจะปลายมุกตลกบ้างให้มีความคํากัน นะกวนกับการงานที่เราจะเห็นตามเรื่อยๆนะฟังธรรมะที่เป็นพุทโธวัชนะที่เราจะให้ท่านฟัง นักทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่ว่าจากทางตาหูจมูกลิ้นนี่แหละ การฟังด้วยอ่าจิตที่เป็นสมาธิเวลาฟังแล้วน่ะมีความคิดนั่นนู่นนี่ ที่พอเราฟังแล้วรู้แล้วเข้าสูงขึ้นมาได้เนี่ยสะอาดขึ้นมาได้ในตรงที่จิตของเราแน่วแน่นนิ่งเนี่ยกิเลสมันก็เรียกว่าไกลจากเราละๆในอย่างวัน 2 ครั้ง 3 ครั้งเช้าเย็นใช่มั้ยสบายนะคร สติรักษาจิตเจริญ